วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพศ2539ทำมาบรรยายเรื่องคำพีมหาปัฐานโดยอาจารย์สุเทพโทพทิศธาท่านสาธุชนที่เคารพครับวันนี้จะนำเอาเรื่องปัจจัย24ที่ปรากฏอยู่ในอภิธรรมคำพีที่7ที่ชื่อว่าคำพีมหาปฐานมาที่อธิบายให้ฟังนะครับ สําหรับเอกสารที่แจกให้เราจะพบว่าเป็นภาษาบาลีล้วนๆที่ได้นาําเอาเรื่องราวในคัมภีร์นี้ออกมาในรูปของภาษาบาลีล้วนๆแล้วก็อธิบายประสานนี้ก็เนื่องจากว่าการอธิบายของบทบรรยายนี้จะอธิบายความหมายของบทสวดมนต์บทสวดมนต์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาปฐฐานที่ชาวพาม่านิยมสวดกันโดยทั่วไป และผู้ที่ไปเข้าอบรมในหลักสูตรของท่านอาจารย์โคเอ็นกาก็จะได้ยินว่าท่านสวดมนต์ด้วยปัจจัย24เป็นรูปภาษาบาลีอย่างที่เห็นนี้ <c oughs> ซึ่งน้อยคนจะรู้ความหมายและท่านที่ไปอบรมเป็นอาจารย์ผู้ช่วยของท่านท่านก็จะสอนให้สวดมนต์ด้วยบทสวดมนต์ต่างๆแล้วก็มนต์นี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งอีกมนต์หนึ่งที่ เราจะได้ยินในเทพว่าปัฏฐานนะบาลีก็คือพระบาลีของคำภีรมหาปัฏฐานปัจจยุเทโสปัจยุเทโสหรือปัจจยุเทศที่แปลว่าปัจจัยโดยย่อพุทเทศแปลว่าย่อปัจจยะกคำหน้านั้นก็คือปัจจัยี่สิบปัจจยุเทศหรือปัจยุเทโสจึงแปลว่าปัจจัยโดยย่อโดยความก็คือหัวข้อของปัจจัยี่สนั่นเอง แต่หลังจากนั้นเริ่มสวดว่าเหตุปัจโยอารมณปัจโยทิปติปัจโยอันันตรปัจโยสมันันตระปัจโยสหะชาตปัจโยอัญญมัญญปัจโยนิสยปัจโยอุปนิสยาปัจโยปุเรชาติปัจโยปัจฉาชาติปัจโยอาเสวนปัจโยกัมมะปัจโยวิปากะปัจโยอาหาระปัจโยอินทริยปัจโยชาณปัจโยมัคคปัจโยสัมบยุตตปัจโย วิปยุตปฏิโยอัตติปฏจโยนัตติปฏจโยวิคตาปฏจโยอาวิคตะปฏจโยอชื่อของปัจัยเหล่านี้แปลว่ายอย่างไรก็ปรากฏอยู่ในเอกสารผมไม่ทราบว่าแจกไปด้วยหรือเปล่านะอีกจุดหนึ่ง่ที่ขึ้นหัวข้อว่าปัจจัยยี่สีพระบาลีอุทเทศและคําแปลนะอะที่ที่เคยจริงเคยแจกไปแล้วแต่ว่าที่แจกไปตอนนั้นไม่ได้พิมพ์เรียบร้อยอสำหรับที่ พิมพ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นที่พิมพ์เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้แจกก็อาจจะมาแจกให้ในคราวหน้านะครับก็ได้ใช้ของเดิมไปก่อนนะครับของเดิมคือที่แจกไปเมื่อคราวก่อนนู้นที่เราเว้นการบรรยายกันไปสองครั้งนั่นนะครับอันนี้เป็นชื่อของปัจจัยเพราะนั้นเวลาที่พระท่านสวดในงานศพเวลาสวดพริธีกรรมเจดกบีเนี่ยท่านจะสวดคำพีที่หนึ่งเรียกว่าสวดมติกากุศลธรรมากุศลาธรรมมา อภยากตาธรรมาอันนี้เรียกว่าเป็นมาติการเหมือนมีสามบทแล้วก็ไล่ไปจนทั่งถึงมาติการสุดท้ายแล้วคำภีร์อื่นๆก็จะสวดเฉพาะบทูเทสคือบทหัวข้อย่อมาถึงคำพีที่เจ็ดพระท่านก็จะสวดแต่เฉพาะปัจจายุเทศสือชื่อของปัจจัยยี่สิบสี่เป็นรูปของภาษาบาลีที่อย่างที่ว่านะครับอันนี้หลังจากที่ชาวพม่าสวดปัจจยุเทศแล้วซึ่งก็อยู่ในหน้าแรก และข้อแรกของคำภีรมหาปฐานคือพระธรรมดลเล่มสี่สิบจากนั้นท่านก็จะเริ่มความว่าปัจจะปัจเจ ย, จจยนิเทโสหรือปัจจยานิเทศนิเทศแปลว่าขยายความเลืออธิบายปัจจยานิเทศจึงแปลว่าอธิบายปัจจัยหลังจากที่ได้ปัจจยุเทศคือตั้งหัวข้อไว้แล้วการอธิบายของท่านท่านก็จะยก ชื่อของปัจจัยมาวางทีละชื่อทีละชื่อแล้วก็อธิบายไปทีละชื่อทีละชื่ อ, อตามลาดับอย่างเช่นปัจจัยที่หนึ่งเหตุปัจโยติพอผู้สวดเริ่มความว่าเหตุปัจโยติคือเหตุปัจจัยเป็นดังนี้ เหตุตูเหตุสำมะจุตการนางธรรมานางตังสมุตสานานันจารูปานังเหตุปัจเจเยนปัจเจโยนี่เป็นภาษาบาลีขอได้กรโนนแบ่งส่วนหนึ่งว่าเป็นการฟังเอาบุญและฟังเอาความเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์แก่การสวดเรามีบทสวดที่เป็นภาษาพม่า เดี๋ยวตอนา์อาจจะเปิดให้ฟังนะที่ผมไปจัดซื้อมาจากประเทศพาม่าแล้วก็มีบทสวดของท่านอาจารย์โกยิกาซึ่งได้เคยเปิดบทสวดให้ท่านได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านฟังเรื่องประธานแล้วท่านอาจจะไปนําเอาที่เราจะจัดให้บริการที่นี่นะครับให้ท่านไปเปิดฟังฟังในขณะดสวดมนต์ก็ได้ฟังจนกระทั่งท่านสามารถที่จะจําได้ แล้วก็เอาไปสวดแล้วเอาไปสวดเพื่อจะจ ะ, จะใช้เคล็ดอะไรยังไงนั้นจะแนะนําภายหลังอีกทีหนึ่งก็ดูแล้วเหมือนจะจํายากแต่เนื่องจากว่าในมหาประธานทั้งเก้าหน้านี้ที่เป็นบทสวดนี่นะครับมีเนื้อความที่เป็นความหลักที่เราสามารถจะจําความหลักได้แล้วก็สามารถจะจําเนื้อความ อื่นๆที่เหลือได้โดยง่ายจึงเป็นเหตุทำให้การจำคำภีมหาประฐานในส่วนนี้ไม่ยากถ้าจะจำถ้าจะท่องก็ได้หรือจะเปิดเทปไปแล้วก็สวดตามเทปไปก็จะจำได้ง่ายขึ้นเอ่ที่ผมจะอธิบายในต่อไปนี้นะจะอธิบายความนะฮะจะไม่มานั่งแปลทีละตัวถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นอานจบสิน้นเรื่องแปลนั้นจะทาเอกสารในส่วนแปล มาให้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดเหมือนอย่างการเรียนในห้องปิดได้เพราะการเรียนในห้องปิดเนี่ยเราจะใช้เวลาเรียนปัจจัยหนึ่งเนี่ยบางปัจจัยก็ครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเ อ, อเรียกว่าพูดกันเต็มที่เลยนะบางปัจจัยก็อาจสองครั้ง แล้วบางปัจจัยสองปัจจัยสามปัจจัยรวมกันก็อาจจะพูดจบในครั้งเดียวแล้วบางปัจจัยก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะว่ามีเนื้อความเหมือนกันกันกบปัจจัยบางปัจจัยในส่วนขององค์ธรรมหรือตภ า, าวว่าทำหลักอย่างปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะให้แปลไอ้แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยจะแปลแบบยกศัพท์ก็จะวุ่นวายรับรองท่านจะต้องเบื่อหน่ายด้วยความรวดเร็วที่สุดก็จะลองแปลแบบ ถอดกำแปลเป็นไยแล้วจะอธิบายนะแต่ผมจะไม่ได้แปลอย่างนี้ไปทุกปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยเนื้อความบาลีทั้งหมดนะแปลว่าเหตุทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยเหตุและแก่รูปทั้งหลายที่มีเหตุและธรรมที่ประกอบด้วยเหตุนั้นเป็นสมุทฐานด้วยอำนาจเหตุปัจจัยฟังรู้เรื่องไห ไม่รู้เรื่องต้ออ่านตามอีกทีเพื่อจะรู้เรื่องเหตุทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ทำทั้งหลายที่ประกอบด้วยเหตุและแก่รูปทั้งหลายที่มีเหตุและทำที่ประกอบด้วยเหตุนั้นเป็นสมุิฐานด้วยอำนาจเหตุปัจจัยก่อนที่จะพูดถึงเนื้อความเนี่ยจะมีเนื้อความหลังข้อความทุกๆปัจจัยเหมือนๆกันอันหนึ่ง ท่านจะใช้คำ ว, ว่าด้วยอานาจด้วยอำนาจเนี่ยก็หมายความว่าปัจจัยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังมีอำนาจหรือเป็นพลังเป็นอำนาจของสภาวธรรมแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะแตกต่างกันถ้าลงท้ายด้วยคำ ว, ว่าเหตุปัจจัยก็แปลว่าเนื้อความที่กล่าวมาในเบื้องต้นทั้งหมดนั้นเป็นการกล่าวถึงอานาจ ของเหตุตุปปัจถ้าเป็นอารามณปัจจัยก็จะสรุปท้ายด้วยคําว่าด้วยอํานาจอารามณะปัจจัยความหมายความว่าเนื้อความที่กล่าวมาก่อนหน้าทั้งหมดนั้นเป็นอํานาจในลักษณะของอารมณ์แล้วก็ปัจจัยอืน่นก็จะมีคําลงใายลักษณะอย่างนี้ในคําภาษาบาลีที่ปรากฏว่าเหตุตปัจจเนตปัจโยแปลว่าด้วยอํานาจ ของเยตุปัจจัยอารามณปัจเจเยนะปัจเจโยด้วยอำนาจของอารามณปัจจัยอาทิปติปัจเจเยนะปัจเจโยด้วยอำนาจของอาทิปติปัจจัยจนกระทั่งถึงอวิคตะปัจเจเยนะปัจเจโยสุดท้ายเลยด้วยอำนาจของอวิคตะปัจจัยอันนี้ก็เป็นข้อความที่จะมีส่วน ซ้ำๆๆกันอย่างนี้ของท้ายปาษาบาลีที่อธิบายปัจจัยแต่ละปัจจัยทั้งยี่สี่ปัจจัยเอาล่ะอันนี้ผมจะขมวดเนื้อความขมวดเนื้อความเอาเป็นสาระว่าลักษณะของเหตุปัจจัยอะไรเป็นตัวเหตุอะไรเป็นตัวผลจะเขียนเป็นเนื้อความองค์ธรรมอย่างนี้ครับนี่คือเหตุปัจจัยเหตุได้แก่เหตุหกได้แก่เหตุหกและ เหตุหกนี้มีอำนาจหรือเป็นอำนาจชนิดหนึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตและเจตสิกและจิจตัชรูปจิจตัชรูปนี้มีสองการคือในขณะเอาออกเอ า, เอ า, เอายังไม่ต้องแยกดีกว่าเดี๋ยวจะยุ่งนะเอาแค่นี้ก่อนเอาเป็นส่วนหลักนี่เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวหลัก ที่ทุกคนสามารถจะฟังและทำความเข้าใจได้สำหรับในที่นี้ทุกคนนะ เ, เราดูนะครับเหตุ <Hey. S 1> ที่เขียนข้างบนนะั่นคือเหตุหก ok เนี่ยเป็นตัวปั จ, จัยเป็นตัวปัดใ จ, จเป็นตัวอำนาจเหตุหกเพื ok ่ออะไรก็เพื่อให้ท่านที่ใหม่ได้ฟังความหมายของคำว่าเหตุที่เราพูดถึงในที่นี้เหตุ hey. ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามีความหมายอยู่สองอย่างอย่างหนึ่ง หมายถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลในทุกๆเหตุที่คู่กับทุกๆผลไม่ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดอะไรเรียกว่าเหตุทัางนั้นเหตุอีกอย่างหนึ่งมีความหมายถึงเหตุที่เป็นต้นต่อของบุญของบาปของความชั่วความดีเหตุในเหตุตปปัจจัยไม่ได้หมายถึงเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างแต่หมายถึงเหตุที่เป็นต้นต่อ ของความชั่วและความดีเรียกว่าเหตุและมาในคำว่าเหตุปัจจัยซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าความดีกับความชั่วเป็นตัวหลักของชีวิตเราเราพูดถึงว่าคนเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ค่าของความดีความชั่วเราได้สุขก็เพราะความดีได้ทุกข์ก็เพราะความชั่วเราเคารพนับถือกันเคารพกันก็เพราะความดีไม่เคารพกัน ก็พอความชั่วามหมายก็ว่าในสาระของชีวิตเราเนี่ยอยู่ที่ความดีความชั่วคุณค่าของชีวิตเราในทางพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ความดีหรือความชั่วถ้าพูดถึงในส่วนของความดีพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ทรงตรัสว่าคนเรานั้นเป็นแพกนนะเป็นเลิศเป็นเลกวกว่ากันด้วยธรรมะไม่ใช่โคตรไม่ใช่สกุลไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ไม่ใช่โภพกษัพรย์ซึ่งการยกความดีขึ้นมาเป็นที่ตั้งนั้นไม่ได้ อเป็นที่สำคัญเนี่ยไม่ได้หมายเอาว่าจะคำนึงถึงความเคารพนับถือของคนเป็นที่สุดท้ายไอ้เรื่องใครจะมาเคารพนับถือน่ยมันเป็นเรื่องผลลอยได้เราว่าไปแล้วนะแต่ที่มันเป็นผลจริงๆเป็นสาระจริงๆของตัวเราเนี่ย ความดีความชั่วเป็นเหตุให้บุคคล น, นั้นเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตต่างหากเราจะไปสวรรค์ได้ก็เพราะความดีจะไปนิพพานได้ก็เพราะความดีไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ก็ความชั่วและเป็นตัวกัดขวางความดีที่พอจะมีอยู่ที่ไปนรกได้ก็เพราะความชั่วเป็นทุกข์ได้ก็เพราะความชั่วอันนี้เราพูดถึงเวลาเรากล่าวอ้างถึงว่าคนนี้ได้ดีมีสุข เพราะอะไรเราก็ชี้เข้าไปหาความดีความชั่วแต่ถามต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นต้นต่อของความดีความชั่วอะไรเป็นต้นต่อของความดีความชั่วเราคือพระวุทธศาสนาก็ตอบไว้ในที่ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในปัจฐานในพระสูตรนั้นพูดไว้มากมายเลยทีเดียวที่เรียกว่ามูลบัคมูลคือลากเงาก็ดีเหตุก็ดี หรือนิทานหรือโมหานอื่นใดก็แล้วแต่อีกหลายอย่างที่มันชี้ถึงความเป็นรากเหงา้าคือสภาวะธรรมหกตัวนี้เท่า น, นั้นเองอยู่ที่สภาวะธรรมหกตัวนี้เท่า น, นั้นหกตัวนี้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนของรากเหง้าของความยั่วได้แก่โลพาโสะและโมหะไอตัวสามตัวนี่แหละครับมันเหมือนกับไม้หลัก ที่คนจับหอยแคลงหอยมแมลงภูเอ้ห อ, อยแคลงด้วยป่ะหอยมแมลงภูเนี่ยหอยมแมลงปูเอาไปปักไว้ไอ้พวกหอยมันก็จะพากันมาจับหอยที่มาจับหลักที่ปักไว้นี้เปรียบเหมือนกับความชั่วตัวอื่นๆความชั่วอื่นๆเนี่ยมันจะมาจับที่หลักสามหลักนี้แล้วแต่ว่าไอความชั่วตัวไหนเป็นเครือข่ายของความชั่วหลักตัวใด มันก็จะเข้าไปจับคือเหตัวนั้นตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าความโลภคือความยินดีติดใจเป็นหลักให้ความชั่วคือความโอ้อวดเข้ามาจับคือความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเข้ามาจับคือการลักทรัพย์เข้ามาจับคือความเห็นผิดความเม็นผิดที่เป็นความยินดีในความเห็นเรื่องตัวความยึดในความเห็นเรื่องตัวอย่างหนึ่งเข้ามาจับ เป็นหลักๆๆผ้าบุคคลทําลายหลักได้แล้วความชั่วเบ็ดลเสร็จ ก, ก็ไม่มีหลักมันก็สลายอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการละความชั่วเนี่ยจะต้องเพ่งเล็งเข้าไปหาตัวต้นตออถ้าพูดอย่างจำนวนบุคคลเรีก่กนะ็เป็นตัวบงการนะเป็นตัววงการเป็นเจ้าอของความชั่วให้ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันเข้าถึงไม่ได้ เ, เวลาละเนี่ยต้องละไปจากตัวชั้นนอกขั้วจนกระทั่งเข้าไปถึงตัวหลักใน ภายหลังโทสะและโมหะก็เช่นเดียวกันมันเป็นหลักของความชั่วเท่านั้นส่วนความดีอะโลพาอะโทสะอะโมหะนี่ชั่วโมงนี้เป็นการอธิบายเอาหลักขอให้ฟังเป็นหลักๆอะโลพาคือความไม่โลภคําว่าความไม่โลภในทีน่นี้ไม่ได้หมาย ความแต่เพียงปฏิเสธว่าไม่เกิดความโลภคนกําลังโกรธก็ไม่ใช่กําลังโลภใช่ไมครับขนาดนั้นนะแต่ความไม่โลภตัวนี้หมายถึงความมีสภาพจิตมีอาการไม่ติดไม่ติดไม่ยึดแม้ว่าจะมาสู่โยโยนด้วยผลประโยชน์อื่นใดก็ไม่มีความรู้สึกกําหนักติดยึดความรู้สึก ที่เกิดขึ้นมีผลต่อความปลดปล่อยมีผลต่อความเบาใจขอให้นึกถึงสภาวะจิตในขณะที่เราไม่โลภเนี่ยนะเราไม่โลภเราไม่ยึดนั่นคือความปลดปล่อยนั่นคือความเบาใจไอจะไม่โลภไม่ยึดปลดปล่อยอยู่อย่างเป็นปกติผ่าตามคติของปลาลานไอกลายปลาลานก็ดีหรือความปลดปล่อยในลักษณะของการทำให้เกิดการ บริจาคได้เสียสละได้อันเป็นภาวะของความไม่โลภที่กำลังปราดกฏขึ้นในความรู้เป็นเหตุของความดีเพราะคนเราเนี่ยถ้าลองไม่เอาไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวแล้วมีความรู้สึกอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยความดีอย่างอื่นในสายของความไม่โลภมันเข้ามาเกาะอาศัยได้ท่านชวนทำอะไรก็ง่าย <C oughs> อธิบายอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียสละก็เห็นอานิสงส์ได้ในทันทีเข้าใจได้ในทันทีรับปฏิบัติได้ในทันที <C oughs> นี่แปลว่าความรีอนอื่นเข้ามาเกาะหลักได้โดยง่ายแม้ความไม่โกรธความไม่ถือสาโกรธมีอาการออกมาเป็นความเมตตก็ดีหรือความไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่น่ายินร้ายก็ดีนั่นเป็นรสของความรู้สึกที่เรียกว่าอาโทสะ ถ้าลองมีความสึกเป็นหลักอันนี้โรลขึ้นมาจเจริญเมตตาจเจริญได้ง่ายนะฮะหรือทำให้เห็นใจไม่ถือสาในเรื่องแม้เล็กๆ น, น้อยๆก็ทำได้ง่ายเพราะจิตกำลังมีความไม่โกรธปรากฏในความรู้สึกความไม่หลงหรือความปราศจากความไม่รู้อ่าตัวนี้เป็นตัวละเอียดหน่อยตรงกันข้ามกับอวิชชา เข้าใจอวิชชาได้กระจายตัวความไม่หลงได้อโดยสภาวะเนี่ยความไม่หลงนั้นคือความฉลาดเป็นชื่อของปัญญาอีกชื่อหนึ่งคนที่มีปัญญาเนื่องจากปัญญามันมีหลายระดับเวลาเรายกเนี่ยเราก็อาจจะยกในบางระดับคือคนถ้าสมมุติเรามีปัญญาในทางธรรมะมีความรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมอเนื่องจากว่าไอตัวปัญญาเนี่ยนอกมันเป็นตัวรับความไม่โลภและกิเลส และคุณธรรมที่อยู่ในสายของความไม่โลภเป็นตัวรับความไม่โกรธและคุณธรรมที่อยู่ในสายของความไม่โกรธ ด, ด้วยเหมือนกับโมหะมันเป็นตัวรองรับกิเลสในสายของความโลภด้วยกิเลสในสายของความโกรธ ด, ด้วยฉันนั้นซึ่งก็หมายว่าคนเมื่อมีปัญญาเนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มีปัญญาหรือดํารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐ หรือคนที่มีปัญญาเป็นทุนเนี่ยพัฒนาคุณธรรมได้โดยง่ายแต่ของท่านนะท่านหมายก็ว่าปัญญาในทางธรรมะไอ้ปัญญาในทางโลกของบางพวกเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นปัญญาในทางธรรมะได้ด้วยคือเรียกว่าปัญญาในทางโลกใดไม่มีอุปสรรคปัญญานั้นพัฒนาเข้าสู่ปัญญาในทางธรรมได้ง่ายปัญญาใดในทางโลกที่มีอุปสรรค ปัญญานั้นพัฒนาเข้ามาสู่ทางธรรมได้ยากที่ผมใช้คำว่าอุปสรรคคําๆกันเนี่ยผมตั้งใจอธิบายตอนนี้ว่าหมายถึงอุปสรรคคือกิเลสและกรรมปัญญาในทางโลกที่มีอุปสรรคถูกขัดขวางพัฒนาทางธรรมไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสมัยก่อนก็มีสมัยนี้ก็มีคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาทางโลกแล้วมีกิเลสเป็นอุปสรรคพัฒนาไม่ได้ คือท่านยกตัวอย่างมากและก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือมานะตันหาที่มานะก็หมายความถือตัวถือตัวว่าเป็นคนมีความรู้มากอย่างนี้เป็นบทกวีทันทีครับแทนที่ว่าเออเอาไอ้ความรู้ทางโลกเนี่ยนะมาเป็นเชือ้อมาเป็นฐานให้อ่าเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายก็ไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นเพราะมานะเข้ามากั้นกลางขวางกั้นเสียหรือทิฏฐิความเห็นผิด มีความเห็นผิดเช่นว่าธรรมะสอนว่ากรรมมีตัวเองมีความรู้ทางโลกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมไม่ได้เกี่ยวกับการตายการเกิดหรือมีความเห็นผิดว่าคนไปทาบุญสุนทานเนี่ยนักบวชหลอกเหมือนอย่างสมัยก่อนสอนกันคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างพวกอาจารย์สัญชัยเวสสาบุตรสอนหรือพวกอาอ้ทุกกที่ติสอน สอนแล้วก็หนักๆเข้าเลยกลายเป็นความเชื่อสนิทใจเป็นความเห็นสนิทใจยอย่างนี้ขวางทันทีอ่หรืออ่าไม่เชื่อเรื่องการตายการเกิดพอไปเรียนวัตถุมากแต่ไม่ได้แปลว่าคนเรียนอย่างนี้จะต้องเจออุปสรรคที่ทุกคนมันก็มาขวางทําให้ปฏิบัติวิปัสนาธารมฐานไม่ได้ทําให้ จ, จิตใจเนี่ยออกห่างกระแสของคุณฑธรรมอีกอันหนึ่งแล้วยกตัวอย่างอันหนึ่งคือตัณหาคือความอยากตัณหาที่เป็นอุปสรรค พอออกกับคนที่มีปัญญาทางโลกก็คือตามมติปัญหาที่เราบ่นกันว่ารู้มากก็โกงมากใช่ไหมรู้มากเอาเปรียบมากที่เราพูดอย่างนี้นะ่ะเราพูดกับคนที่มีความรู้ทางโลกแต่มีตัญหาเข้าไปเป็นอุปสรรคแต่ว่าคนที่เขามีความรู้ทางโลกดีๆแล้วก็ไม่มีตัญหาเป็นอุปสรรค เขาไม่เป็นอย่างนี้ทีนี้มาท่านอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวจะมาพูดเหมือนกับผมหรือมาพูดว่าทางโลกเนี่ถ้าผมจบด็อกเตอร์มผมคงพูดแล้วกลายเป็นพวกเดียวกับคนที่ผมพูดถึงได้บางเงินผมไม่ได้จบอย่างนั้นพูดแล้วเหมือนกับผมเป็นคนวัดมาพูดว่าบนโลกทีนี้าท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วคนที่มีความรู้ปัญญาทางธรรมไม่มีอุปสรรคหรือผว่ามีมีอย่างไรอธิบายเอาสั้นๆว่าปัญญาทางธรรมชั้นต่ำพัฒนาขึ้นไปเป็นปัญญาทางธรรมชั้นสูงไม่ได้ เพราะกิเลสชั้นต่ำจริงๆมันไม่ใช่ชั้นต่ำล้วพูดนะบอกกิเลสชั้นสูงเราต้องบอกกิเลสชั้นสูงคือสูงพอที่จะไปขวางปัญญาทางธรรมชั้นที่ตัวเองควรจะเกิดน่ะเกิดไม่ได้ะนั้นอวันนี้เราก็คุยกันมาเมื่อตอนเช้าว่าไอ้ทาไมคนมีความรู้อย่างนี้ ถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ไปฟังบทเทศฟังที่ก็พูดดีแล้วทำไมกลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้ผมไม่เล่าชาตินะว้าคือฟังแล้วเนี่ยชวนให้เราหมดกำลังใจที่จะเรียนธรรมะตามความดีที่บัแต่เราไม่หมดเรา่ออะไรเพราะเราเข้าใจพอที่จะหมดเกินพอที่จะหมดเพราะเรารู้ว่านี่คืออุปสรรคจากการที่ใครตะใคเขามาเป็นให้เราดูเนี่ยทำใหเรารู้ออลิมเป็นเราจะได้ระวังอุปสรรคไม่ให้ ตันหามาหน้าที่เข้ามากั้นขวางถ้าจะให้ผมยกตัวยอย่างจะชัดแค่เพีย อ, อบางคนเขาก็บอกเขาก็เขาก็ตรงดีมอ้งไงบอกเออฉันมีชื่อเสียงฉันมีความรู้ขนาดนี้คนก็รู้จักฉันทั่วบา้านเฉยเมยฉันไปปฏิบัติไปยอมไปลุกติด ป, ปฏิบัติกรจ่ายคนนี้ อ, อยังไงฉันอายเขาฉันกลัวเขาไม่นับถือนี่เขาก็ซื่อนะถ้าไม่ก็ไม่ซื่อเขาไม่ไมไมพูดอย่างนี้หรอกเลยไม่ปฏิบัติจนเดี๋ยวนี้เพราะกลัวคนเขาจะไว เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องบ้านตังเมืองแล้วทำไมมาไม่ยอมไปรู้สึกปฏิบัติจริงทิ่นี่อะไรอย่างเงี้ยเลยกลาย้าดึงเครื่องกรีดขวางอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นบางส่วนบางการณีครณีถจะยกตัวอย่างในทางกรรมบางมียกตัวอย่าง ท, ทางจิเลตอุปสรรคทางกิเลตอุปสรรคทางกรรมที่ขวางขวางคนยกตัวอย่างแต่ว่ามีปัญญาทางโลกแล้วมีกรรมก็หมายความว่า คนที่มีปัญญาทางโลกบางคนเขาไม่ได้มีกุศลบารมีทางอื่นก็ดีหรือมีกรรมอันอื่นเข้ามาขวางก็ดีทำให้เขาไม่อาจที่จะยกระดับปัญญาของเขานี่ยเอาไปเชื่อมต่อกับปัญญาทางธรรมได้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นได้นี่ก็เรียกว่าคนมีกรรมหรือบางคนเนี่ยมีปัญญาเฉลียวฉลาดเรียนสูงๆก็ได้ทุกวันนี้ก็เจอเจออยู่ไม่นะน้อยนะก็เป็นคนรุ่นหลังผมสติปัญญาสูงเรียกว่า หลายคนไอคิวสูงกว่าผมด้วยซ้าไม่ได้ไปทดสอบอะเรามองมองอะมองเอาว่าตอนนั้นเราลุ่นนี้เราแก่ไหนเราก็รู้สึกเอเขากรุนเดียวกันเราตอนนั้นอะเขาเก่งกับเราแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องมาเป็นอย่างนี้พูดแล้วก็ต้องคอยํำเรื่องมองคนเดี๋ยวไวไม่จ้าเยอะเจ้าตัวครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าตั ว, <c oughs> เ, จตว <c oughs> เจ้าตัวนี่ไม่ใช่เจ้าตัวดี่นั่นนะ <c oughs> <c oughs> เจ้าตัวที่ไม่เกี่ยวๆทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ ก็ไม่อยากหรอกเขาผมถึงใช้คําพูดอันหนึ่งว่านี่คือกรรมของคนฉลาดกรรมของปัญญาชนวิบากของปัญญาชนเคยได้ยินมาที่ฉลาดซะจนเพี้ยนฉลาดซะจนตบิดตะแบนฉลาดซะจนประสาทกินเอาอะไรเอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องเวรกรรมเรา มองดูหาข้อมูลนไม่ใช่แค่เห็นปุ๊บแล้วต้นนิสัยปั๊บเงไม่พอตืบไล่เรามาแล้วเออจริงเขามีเขาได้ทํากรรมไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เวลาเราเราจะไปเที่ยวไปว่าอะไรแล้วอย่าไปเหมาโหลว้าเอเรียนมากเลยเป็นงนี้เพราะฉะนั้นเรียนมากไม่ดีเรียนธรรมมากแลยเป็นงี้เราเรียนธรรมมากไม่ดีไม่จะไปว่าพวกนั้นไม่ได้นะเราต้องดูว่าอะไรเป็นอุปสรรคเราต้องตัดฟากตัดอให้เผาวันออกจากต้นไม้ เนี่ยรู้ออเนี่ยเราเนี่ยเขาเกิดอุปสาษานี้เอาภารคออกอุปสรรคทางกรรมอุปสกกรรคทางกิเลสมันก็มีสองอย่างนะอุปสรรคในชีวิตเราเนี่ยองคมูลตัวหลักสําคัญในในชั้นหนึ่งเนี่ยคือกรรมและกิเลสสองอย่างนี้เท่านั้น <c oughs> เอาละครับทีนี้พูดถึงว่านี่เรากําลังไล่มูลตัวมูลสามแล้วก็ความชั่วที่อาศัยมูล ในใจเราเนี่ยนะมันมีมูลอยู่สามความดีสามความชั่วสามแล้วก็มีความดีที่เป็นบริวารของมูลอยู่เลยนะทีนี้ถ้าคนเรานะ่ะไม่แสดงออกออกมาทางทวานสามมันก็เจอค่าลําบากเป็นแต่ว่าคนนั้นมียาณวิถีอย่างรู้รู้ก็ไปถึงแม้ก็ตั้งหลับกระทัางกระทั่งเกิดความดีอยู่อย่างรู้เลยรู้ไปถึงไอ้เบื้องหลังไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเข้าใจไม่ได้หรอกครับอย่างได้เห็นคนบางคนเนี่ยทําความดีแต่เรารู้่ะ ความดีของเขาที่ทำในตอนเกิดเป็นความดีแต่ไล่ลึกลงไปแล้วถึงสมุดฐานเหตุที่ทำให้เขาต้องมาทำความดีมันแค่ไหนยังไงพอรู้ไหมเช่นว่าทำดีเอาหน้าบอหรู้ไหมทำดีเพราะงโง่รู้ไหมทำดีเพราะกลัวรู้ไหมและทำดีเพราะไอความรู้สึกในทางที่ดียิ่งกว่าที่เราเองก็เข้าใจได้ยากทำอย่างเขาได้ยากเราก็บอรู้อยู่เหมือนกันใช่ไหม บางคนเขาทาความดีด้วยเหตุผลที่แยบยนตมากเราเองอาจจะรู้สึกว่าดีเกินไปหรือบางทีเขาพูดแล้วก็กรู้สึกโ อ, อ้แหม่ดีจริ ง, รงๆคนนี้ดีอย่างแยบยนต์เล ย, ยไม่งั้นในหลวงไม่ตราสว่าขัดทุนเป็นกําไรใช่ไหมนี่เหลือแยบยนต์นะขัดทุนก็คือกําไรเอาหรือ ว, ว่าเอาใครเข้ามาขยะมาทิ้งข้นนางถนนวาเออเราก็บอกเก็บเก็บไปเถอะนี่คือเขาทิ้งลาบ ผลไว้ให้เราเรายิ่งเก็บเขายิ่งเสื่อมลาบแต่อย่าไปนึกภาวนานนะแต่ให้รู้กระบวนการของมันนี่คือเราได้ลาบได้ผลให้โอกาสในคิดในเชิงกรรมเป็นอย่างงี้เราก็ไม่ทอ้อฮะเราไม่โกรธเขาเราก็เก็บเก็บไปเก็บมาจริงก็เลิกทิ้งกันจริงก็ดีเลิกทิ้งก็ดีถ้าทิ้งเราก็ว่าดีดีทั้งขึ้นทั้งรามาทําเปื้อนอ้าวเราก็เจ็ดไปอาก็ดีเลิกก็ดีมีไปอย่าง เราได้บุญนั้นขึ้นทั้งลงทีนี้เมื่อคนเกิดความดีเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นหลักค่ะมันเป็นผลแก่กระบวนการสองกระบวนการไอ้กระบวนการสองกระบวนการเนี่ยมันออกมาเป็นเทาวานสามคือวจีแล้วก็กายอ่ะเราไล่จากจากหยาบมาหาละเอียดไอ้เทาวานสามนี่แหละครับ <c oughs> มันเป็นผลของเหตุของหกคือถ้าเกิดความรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้อันเนื่อง หรือเข้าไปเกาะกับตัวมูลหรือตัวเหตุหลักสามเหตุความรู้สึกอย่างโู้ความนึกคิดได้แก่จิตและเจเราลองคิดให้ดีนะว่าคนเราเนี่ยพอความกโกรธตั้งต้นเข้ามาและความกโกรธนั้นไม่หยุดอะไรตามติดเกี่ยวพันกับมาความกโกรธที่เราขยายตัวนะขยายตัวเป็นความรู้สึกอย่างโู้อย่างนี้ทันทีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดับความโกรธได้เนี่ยการขยายตัวของความรู้สึกนึกคิด ทางก็หยุดณเวลาเราดูจิตควบคุมจิต เ, เราต้องดูเข้าไปถึงในตัวหลักแล้วก็เห็นโอ้นี่เราอยากอย่างเดียวแทๆ้ๆอยากอย่างเดียวแทๆ้ๆมันถึงอย่า ง, งโง่อย่างนี้ขยายยืดออกมาเพราะเราไม่ชอบหน้านิดเดียวอย่างอื่นขยายยืดออกมาเพราะเราโง่เราไม่ทําความเข้าใจให้ชัดเลยนิดเดียวอย่างอื่นขยายชืดออกมาเพราะนั่นตรงนี้นะเราเขียนว่า มันจะมีตัวเหตุหลักดีชัวแล้วก็ไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันจะเข้าไปเข้าไปผู่พันเป็นตัวขยายความรู้สึกผมกําลังอธิบายถึงมโนนะถึงมโนความรู้สึกหลักที่เป็นความรู้สึกโลภะโสดาโมหะที่เกิดเกิดความโลภขึ้นในชั้นหนึ่งแล้วขยายตัวเป็นการวางแผนท่านนู้นท่านนี้สารพัดอย่างได้ก็ไปอย่างได้ไม่เต็มที่ได้น้อยก็ไปอย่างได้มากก็ไปอย่างได้เต็มบริบูรณ์ มันเกิดการขยายตัวได้แล้วก็รักษาไว้ได้ได้แล้วก็สูญเสียมันเกิดการขยายตัวอยู่ในนี้เป็นอกุศลธรรมเป็นอันมากตามเนื่องเข้ามาโทสะโมหะเช่นเดียวกันนี่คือตัวเหตุสามเหตุที่เป็นเหตุชั่วแล้วก็ดวงจิตความรู้สึกนึกคุณภาพจิตตกต่ําไปตามตัวหลักอิเลขยายตัวแล้วเนี่ยมันก็มาช่วยส่งเสริม ความมั่นคงให้กับตัวหลักคือตัวเหตุสามให้มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วพอเหตุมั่นคงยิ่งขึ้นก็มาเป็นหลักมั่นทําให้ความรู้สึกเมี่ขยายตัวมากขึ้นตัวนี้เป็นมัโนทวานเป็นมัโนทวนันเป็นแต่ว่าเราเกิดความรู้สึกในทางไม่ดีขึ้นแต่ในใจก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ขออนุโลมเป็นตัวอย่างของเหตุฝ่ายกุศลด้วยกุศละเหตุอีกสามนะ ก็มาเป็นหลักอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าไอ้พ ล, ลังความหรือความรู้สึกต่างๆที่เข้ามาแวดล้อมอผูกพันด้วยเหตุฝ่ายดีสามนั้นกลายเป็นดีขึ้นทีนี้มาดูต่อขยายไปถึงตะวนันเมื่อมโนทะวันปรากฏเป็นความรู้สึกมันก็บังคับรูปอันนี้เขาเรียกว่าจิตแต่ชรูปจิตแต่ชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตหรือรูปที่จิตบังคับความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทุกๆุกความรู้สึกนึกคิดก่อให้เกิดปรากฏการทางรูปทั้งนั้นเลยยากก็มีรละเอียดก็มีเช่นอย่างคนโลภแล้วนั่งอยู่เฉยเไม่พูดอะไรไม่ได้ยกมือยกไม้ยกแข้งยกขาหรือยกซ้ายแหลกขวาเนี่ยมองสีหน้าแล้วรู้ไหมว่าความโลภ ก, กลาลัางปรากฏก็ต้องบอกว่าพอรู้ได้พอรู้ได้ แต่ว่าบางคนเนี่ยรู้เลยความโลภ ก, กําลังปรากฏมองแววตาแล้วรู้เลยความโลภกาลังปรากฏความโกรธกําลังปรากฏใช่ไหมแววตาเนี่ค่อนข้างจะรู้ชัดเจนหรือแววตาเนี่ยก็พอจะบอกถึงสภาวะจิตที่เป็นความไม่เข้าใจความสงสัยนี่เรียกว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นจิตต่จะรูปละเอียดความงทีมันละเอียดเข้าไปถึงไอ้ข้างข้างในด้วยนะแต่ข้างในเนี่ยคนปฏิบัติธรรมจะเห็นถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะรู้สึกได้แต่เพียงเล็กน้อย ไม่มากเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้เลยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยมีผลไปถึงลูกที่แม้ว่าตัวเองกําลังนั่งตัวแข็งอยู่ก็าตามรู้ทันทีหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยรู้เราก็ยังอาจจะไม่ได้วิสูจนกันถึงชัดเจนว่าเวลาเอากระจกหรืออะไรก็ได้ไปรอที่ลมหายใจนะว่าเวลาเกิดนิวรนขึ้นเนะ่ยลมหายใจมันมีปริยัติกระจกยังไง อุณภูมิแตกต่างกันอย่างไรแต่จริงๆนะแตกต่างจริงๆโดยที่คดีก็บอกโดยปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็รู้สึกนะรู้สึกได้ลึกซึ้งละเอียดแตกต่างกันไปตามภูมิธรรมเอานะนี่นี่ยังไม่ไม่เกิดได้การเคลื่อนไหวนะถ้าเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะฟ้องจิตความจริงเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องไปพูดว่าเป็นตำหรับตําราหมอดลวงอะไรแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะเวลาเราทําอะไรจิตเราเป็นอย่างไรเนี่ยเช่นเวลาอายแล้วจะให้เดินปกติมันเดินไม่ได้ใช่ไหม เวลาประมาเนี่ยรู้สึกว่ามือไม้มันแขว่งๆกัดๆคนอื่นอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่าคนที่เขาาแยบยนต์เนี่ยเขเห็นรู้เลยเดินเข้ามา เ, เขารู้เลยรอยเท้ายัางรู้ได้เลยเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยมันรู้ได้เลยนะที่โดยรายละเอียดขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้พูดนั้นพูดออกมาแล้วเป็นพูดเท็จพูดอะไรอะไรหรอกครับมันนอกเหนือไปจากกรรมาบทก็ยังจับได้เนี่ยเป็นตลังออกมาจากมูลจากสมุธฐานของเหตุที่เป็นกายะ กยายทวารวจีทวารและมะโนทวารไอย้ยางหยาบเลยก็คือล่วงกรรมบดถ้าล่วงกรรมบดนี่ถือว่าเป็นผลิตผลของเหตุฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอย่างสมบูรณ์ที่สุดจนกระทั่งใครๆก็อาจรู้ได้คนไปฆ่าเขาตายรู้ได้ไหมรู้ได้แต่มันอาจจะได้ไม่หมดคนฆ่าตาย เมื่อคนกําลังฆ่าสัตว์ให้รู้ได้ไเช่นเอาปืนกําลังยิงนอกอยู่เงี้ยรู้ได้ไหมว่าฆ่าสัตว์เป็นบุญเป็นบาสรู้ได้ไหมรู้ได้คนกําลังใส่บาดก็รู้ได้เอคือถ้าล่วงกรรมบทจะรู้ง่ายแต่ก็อาจจะมีแง่มุมที่อาจไม่รู้อยู่บ้างเหมือนกันนี่เป็นสรุปในส่วนหลักที่บอกว่าเห hey, ตุตัคือเหตุทั้งหลายใน แ, แก่เหตุถูกเป็นปัจจัยให้แก่ จิตเจตสิกที่ประกอบกับเหตุเป็นรวมอยู่ในดวงความนึกคิดในดวงจิตที่เหตุเหตุเกิดเกิ ด, กดที่จิตเจตสิกที่เกิดกับเหตุก็เกิดที่เหมือนกับหอยม า, มาแมลงผู้ที่ไปกู่พันอยู่กับหลักและเป็นเหตุให้รูปที่มีเหตุนั้นเป็นสมุดฐานเรายกมือด้วยความอาการยกมือนั้นเป็นจิตจะจะรูป ที่มีเหตุคือความโกรธเป็นสมุทสารบริพาทด่าว่าด้วยความกรธวัจีทาวานวัจีกรรมนั้นมีโทสะเหตุเป็นสมุทฐานนี่เป็นผลิตผลของเหตุสองอย่างนี่นะความสรุปเอาไง่ายๆว่าความรู้สึกนึกคิดดีชั่วต่างๆพฤติกรรมต่างๆทางร่างกายนะพฤติทางร่างกา ย, นะาากายและพฤติทางจิตล้วนแล้วแต่มาจากเหตุ เป cues, people, hmm. ็นรากเงาต่างกันที่ดีหรือชั่วเป็นคนละคนนี่คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจิยตปัจจัยคือเหตุมีคู่เหตุคู่ผลโดยสรุปทราบซึ้งเนี่ยไหนทราบซึ้งมากแสดงว่าเหตุของท่านทํางานไปด้วยเหตุสามนะถ้าไม่ทราบซึ้งเลยก็สงสัยเหตุสามอีกพวกหนึ่งทํางานมากถ้าหากว่าเกิดขึ้นงกลางชิงกันไปชิงกันมาก็แปลว่าเหตุต่างคนต่างช่วงชิงโอกาส ในการแสดงพลังโดยเอาล่ะการนี้มาพูดถึงปัจจัยต่อไปปัจจัยต่อไปนี้นะเป็นปัจจัยนอกเมื่อกี้เป็นปัใจจัยในจิตเหตุเหตุเหตุนี้อยู่ที่ไหนครับเหตุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายจมูงเปล่ า, าอยู่ที่หูซ้ายหูขวาอยู่ที่ดวงจิตเป็นเหตุอยู่ในจิตนี่จะเห็นว่าไอเหตุที่กำหนดชีวิตเราเนี่ย เมื่อกี้เป็นปัจจัยในจิตเหตุเหตุเหตุนี่อยู่ที่ไหนครับเหตุทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายจมูกเปล่าอยู่ที่หูซ้ายหูขวาอยู่ที่ดวงจิตเป็นเหตุอยู่ในจิตนี่จะเห็นว่าไอเหตุที่กำหนดชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งเหตุอยู่ในจิตก็มีเหตุลึกลับมองไม่เห็นก็มีนะเหตุที่เรียกว่าอารมณปัจโยติ เป็นเหตุนอกจิตเหตุนอกจิตเนี่ยผมหมายความว่าตัวจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์อารมณ์นั้นอารมณ์ของจิตนั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ขณะนั้นอยู่นอกจิตตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าโดยหลักขั้นละเอียดจิตขนาดใดหรือจิตขนาดนั้นนวงเอาตัวเองเป็นอาและจิตตานุปัสสนา ทำไมก็ทําได้เพราะจิตนั้นรับจิตนั้นเป็นอารมณ์เพราะจิตเนี่ยมันเกิดดับที่เรากําหนดจิตว่าเรารู้สึกนึกคิดอย่างไงได้เนี่ยต่ตัวนี้เป็นตัวจิตตานุปษษัสนาตัวกําหนดจะกําหนดจิตที่เป็นอนาคตบ้างหรือเป็นอดีตบ้างได้เท่ากำหนดจิตที่เป็นปัจจุบันแท้ๆเดี๋ยวนั้นไม่ได้ไอปัจจุบันที่เราพูดถึงเ ป, น, เปนไม่ใช่ปัจจุบันแท้ท่าเปรียบเทียบว่าบุคคลจะลูบ ป, ปลายนิ้วนั้นด้วยนิ้วนั้นลูบได้ไหมลูบ ป, ปลายนิ้วนั้นด้วยนิ้วนั้น ปลายเข็มนั้นด้วยเข็มนั้นไม่ได้ลูกจมูกนั้นด้วยปลายจมูกนั้นก็ไม่ได้ฉันยกตัวอย่างเทียบไว้อย่างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตขณะนั้นจริงๆรรับรู้ตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ได้จะต้องรอให้ขณะจิตนั้นดับไปก่อนแล้วจึงรู้ในขณะจิตหลังจากนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือรู้ความรู้สึกล่วงหน้าเป็นอนาคตอย่างดีได้เพราะฉะนั้น จิตนั้นรู้จิตนั้นไม่ได้อารมณ์ของจิตนั้นจึงอยู่นอกจิตเสมอเป็นของนอกจิตเสมอไม่ไม่ใช่ตัวจิตนั้นเอาความว่างันนะคําว่านอกจิตคือไม่ใช่ตัวจิตนะนี่เป็นอารมณมณะปัจจัยถ้านึกตรงนี้ละเอียดไปก็ขอให้นึกว่าเวลาเราเห็นรูปรูปเนี่ยอยู่นอกจิตใช่ไหมเห็นรูปจากสู่วิญญาณ อยู่ที่ผู้ฟังเสียงโสตวิญญาณฟังเสียงเสียงไม่ได้อยู่ในโสตวิญญาณอิน ญ, ญาณไม่ได้อยู่ที่อยู่คนละที่กันอ่าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเหล่านี้นะให้ถ้าอธิบายในมุมปฏิบัติเนี่ยนะแต่ผมไม่ไม่กล้าพูดในที่นี้หราจะเยอะไปมีผลตอ่อคือแค่เราเข้าใจเนี่ยนะคนที่แบกความทุกข์แบกอะไรแต่ไรไว้หลุดไปโดนใครเ้าด่าเขาว่า ก็หายเจ็บปวดไปเยอะเพราะอะไรเพราะข้อเท็จจริงกับข้อที่กิเลสมันเข้าใจเนี่ยมันไม่โง่ใช่ไม่ใช่เช่นว่าเวลาที่เราถูกใครเขาด่าว่าเนี่ยในเชิงข้อเท็จจริงแล้วเสียงด่าไม่ได้ไปเก็บฝังอยู่ในจิตใช่ั้มไม่ได้เก็บจิตไม่ได้ไปเก็บอยู่ในนั้นเลย แล้วทำไมถึงมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดแต่ในความรู้สึกของกิเลสเนี่ยมันมีความรู้สึกมันเก็บฝังอยู่ในจิตใช่มะนึกว่าเสียงนั้นยังอยู่แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเกิดแล้วก็ดับดับทั้งจิตที่ได้ยินดับทั้งเสียงแล้วก็ดับทั้งหูด้วยนะหูเนี่ยเกิดดับเหมือนกันเป็นขณะขณะไม่มีอะไรเลยไอ้แค่นี้นะเรื่องธรรมดา ถ้าแค่ไม่ธรรมดาก็คือว่าแม้แต่สิ่งที่น่าชอบใจความดีบุญกุศลธรรมเทศนาอะไรก็แล้วแต่ครับเวลาไปไปจับได้ในทางปฏิบัติมันยิ่งชัดเจนว่าโอ้มันไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเป็นสารณะไม่ได้แม้กระทั่งบุญเลยพานปล่อยปล่อยบุญวิบกุศลธรรมก็ปล่อย ไม่มีอะไรเอาไปไม่เที่ยงไม่ใช่ของมันคงพระุตจ้าถึงสลัดว่าดูก่อนไม่สุนหลายสังขารน่ะเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยเอาเป็นสารณะไม่ได้บุญทําไว้ทําไว้ก็แตกดับดับหมดตอนทําตอนสเสวยผลก็สเสวยเป็นขณะสุขเวทนาก็ดับเป็นขณะอารมณ์ข้าสู่เวทนาก็ดับไปเป็นขณะหน้าใจหาย เวลาเห็นแล้วนะไม่ใช่น่าละใจหายจริงๆดปล่อยจริงๆนี่พอคนมันปล่อยได้อย่างนี้จากการเห็นความจริงเนี่ยมันถึงไม่ติดความชั่วโดยอัตโนมัติเนี้ยความไม่ดีอันนี้ฐานลมเนี่ยมันปล่อยโดยอัตโนมัติเลยพวกนี้ถึงไม่ค่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับอะไรกับอะไรตั้งหลายแหล่พอใจมันไม่ไปทุกข์เป็นร้อนแล้วมันเกิดตะบะขึ้นให ม, ม่เกิดได้พลังปัจจัยในโลกอื่นข้นไปอีกนะคือก็เลยทําให้คนไม่อยากมาต่อแยดึก พฤติกรรมชั่วๆวนี่เป็นเรื่องแปลกมากแต่จิตใช่ไม่ใช่คนที่เขาใจดียิ้มยิ้มไม่เคยจะถือสาว่าใครเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ถือสาเราอยากไปตอแยเขาไหอยากจะไปดา่าเัาไหมไอคนที่เราอยากดา่าคือคนประเภทไหนมันไม่ใช่คนอย่างนี้ถึงบางทีเราจะด่าด้วยความคิดเข้าใจผิดของเราอาวิชาดีแลกของเขามากาดประโยชน์มันก็อยู่ไมนะ่นานมันเดี๋ยวก็จบไป แล้วก็พ่ายแพ้ธรรมะยนาตาตมในที่สุดอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆครับแค่ว่าเราเนี่ยไม่ไม่เป็นคนพูดมึงพูดกูกับใครเนี่ยอย่างผมเนีไม่มีใครกล้าแม้แต่เพื่อนๆแต่ไหนแต่ไรเขาไม่กล้าว่าคนอื่นก็พูดอย่างนูอย่างนี้พูดไปให้พรไปแล้วมากันเราเข า, เราครับผมครับอะไรอย่างดีเว่าเราไม่เคยไปพูดเขาอย่างนั้นรับหลังก็ไม่เคยพูดเรา ไม่ไม่เคยใช้เขาแค่คําสมัยพ่อคุณล่าวเขาเรียกมาแทนน้ำภาษาอะไรจะมาชี้หน้าด่ากราบใช่ไหมใช่ทีนี้อ่าบางคนบอกเอ๊ะทาไมดีๆแล้วทําไมบางคนก็ว่าได้บอกอันนั้นมันมีกรรมเก่านะนี่คือไอ้ร่องลอยของกิเลสอีกอันหนึ่งนี่ถ้าเราสร้างพื้นฐานกรรมและกิเลสทั้งสองอย่างนี้ได้ดีเนี่ยมันจะเป็นแรงประกัน ความทุกข์ในชีวิตของเราได้อย่างแน่นหนาอารมณ์ที่เราได้รับเนี่ยมันก็มีที่มามัานเองครับไอๆไ อ, ไอวงจรของเหตุที่มันจับเป็นแบบว่าจิตเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นเกิดจิตนี้ขึ้นเพราะอะไแล้วอารมณ์นี้มาจากไหนนี่มีเหตุเีงอ่ะถามอารมณ์มาจากไหนเราเห็นรูปจิตเห็นเป็นอกุศลวิบากจิตใช่ไม่ใช่ นี่สำหรับคนเก่านะไม่เก่าก็ฟังก็ไม่ยากหรอกได้ยินเสียงไม่ดีได้เห็นไม่ดีขณะ ห, หนึ่งเนี่ยเป็นอกุศลนิบาติจักสุวิญญาณโสวตวิญญาณที่เป็นอกุศลนิบาติมาเห็นอา ร, รมณ์ไม่ดีเกิดจากอากุศลวิบากอีกเช่นเดียวกันอกุศลกรรมตรงนี้นะฟังและชวนพี่ลึกอย่างยิ่งแต่ เรียนแลอธิบายดีเราจะเห็นชัดเจนแล้วก็น่าเชื่ออย่างยิ่งว่าความรับรู้ของเราเนี่ยมันหนันซ้ายหันขวามันมีเวรนีกนแล้วก็ไอ้จิตเราเวลารับอารมณ์เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องรับไปตามคู่ฝาคู่ตัวอกุศลที่บากิรับอารมณ์ที่เกิดจากาบาปนะฮะก็อย่าลืมว่าเวลาที่เราไปด่าใครเขาไว้เนี่ย จิตด่าเป็นอกุศลใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ใช้อะไรเป็นเครื่องแสดงออกของความกลักกลัวจีแสดงว่ากรรมเนี่ยเวลานั้นแล้วมันเก็บพลังเก็บรูปแบบเก็บภาพเก็บเครื่องไม้เครื่งมือไว้หมดว่าเราเนี่ยด่าให้เขาเก็บปวดอย่างนี้เป็นรสชาติที่เราได้ให้เขาหรือมีเจตนาจะให้เขา แม้บางคนเขาไม่ได้รับผลยิ่งไม่ได้รับผลแล้วยิ่งมันยิ่งสะท้อนเต็มที่นะยังไปดา่าล่างหานานไม่เจ็บดาพ่อด่ามแม่ก็ก็เจ็บอีกแบบนึงไม่เจ็บแบบที่เราดา่าสู่คนอื่นด่ะจิตเราก็สร้างพืชผั แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ทำกรรมมันก็สะท้อนมาถึงในลักษณะ ท, ท, ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งจิตทั้งอารมณ์เช่นไปทำให้เกิดอกุศลนิบาตอกุศลนิบาตในอารมณปัจจัยเนี่ยเรามาดูในนี้ไม่ไม่อยากในเชิงหลักการนะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยถึงท่านไม่รู้บาลีก็แทบจะจับความได้เลยที่บาลีา่าลูปายตนะได้แก่อายาตนะ ค, คือรูปหรือลูปายตนะนั่นเองคือูปลมนั่นแหละครับจักสุ จักขูวิญญาณธาตุยาคือจักสูวิญญาณธาตุแก่จักสูวิญญาณธาตุแปลตามตั้งสมัยุตการนั้นจะทำมาณ า, ารามณปัจเจเนปัจเจโยเวลาแปลแล้วไม่ได้ลําดับแบบภาษาไทยเอาเป็นว่าเอาความแปลว่าลูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักสูวิญญาณธาตุและทำทั้งหลายที่ประกอบด้วยจักสูวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามณปัจจัยนะตัว น, นี้ก็เขียนเอาความจักสูวิญญาณแล้วก็บวกด้วย เจตสิกที่ประกอบเพราะว่ามีที่ไหนมีเจตสิกที่นหนมีพุท ธ, ธิกรรมที่ความรู้สึกนึกคิดที่เจืออยู่ในการได้ยินเทียนสักสูวิญญาณธาตุเป็นสังคตธรรมเกิดมาจากเกจาปัจจัยและปัจจัยสายหนึ่งคืออารมณ์อารมณ์นั้นคือลูก เรียกว่ารูปายตระรูปายตระนัเป็นเหตุให้การเห็นเกิดจิตเห็นตรงนี้น่ะชัดเจนเลยว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเอาละถึงเราจะว่าจิตเนี่ยเป็นตัวสําคัญจิตที่ฝึกดีแล้วสัตราจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้จิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานแต่ไม่ได้ตรัสว่าอารมณ์ที่ฝึกดีแล้วอารมณ์เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานอ้าวเมื่อสันตว์ในธ่ยทำมาบทแรกว่าเป็นใหญ่เป็นประธานจิตถึงก่อนหรือจิต ตังตัน ต, ต, ตังสุกาวางจิตที่ปืดที่แล้วนำสุกให้อะไรอย่างเนี้ยแล้วทําไมพอมาถึงตรงนี้เข้าอิจกอารมณ์เนี่ยอาใครสําคัญกว่ากันใครเป็นเหตุใครเป็นผลตรงนี้นะผมก็ต้องบอกไว้ก่อน น, นี่เราพูดเป็นจุดๆคือพอพูดถึงระบบทั้งหมดเนี่ยมันสําคัญกันนะเวลาพูดถึงความสําสคัญในภาคหลักๆภาคเอมุมปฏิบัติมักว่ากันไปเป็นจุดๆไปแต่ตรงนี้เน่ะ จักรสุวิญญาณจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีให้รู้ให้เห็นจริงหรือไม่จริงเมื่อรูปาลมเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เกิดการเห็นรูปาลมก็มีฐานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นใช่ไหมส่วนในเหตุปัจจัยรูปาลมมาอย่างไงเหตุปัจจัยด้านอื่นของจักรสุวิญญาณเป็นมาอย่างไงเนี่ยมันว่ากันไปเป็นอีกแฉบแฉบไปต้งบอกว่า ผลอันหนึ่งไม่ได้เก hmm? like the yeah. right. mm ิดจากเหตุเดียวเกิดจากเหตุหลายเหตุแล้วก็สิ่งที่เป็นผลแล้วก็มีฐานะเป็นเหตุได้เหตุให้เกิดสิ่งอื่นในสิ่งอื่นก็ไม่ได้เกิดจากเหตุอันนั้นอันเดียวเกิดจากเหตุอย่างอื่นและตัวเองก็มีฐานะเป็นเหตุได้หลายเหตุด้วยยังจักสุญญาก็เป็นเหตุได้หลายเหตุก็เป็นผลจากเหตุหลายเหตุด้วยรูปอาลมก็เป็นเหตุได้หลายเหตุแล้วก็เป็นผลของเหตุหลายเหตุด้วย เพราะนั้นอันนี้คือข้อแท้จริงขว้างทั้งหมดแต่ว่าในทางการเรียนรู้พูดไปทีละจุดว่าในแง่มุมของเหตุผลเชิงนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยรูปไหนเอาละ่ะเรามาพูดให้ยอมรับกันก่อนว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญต่อความรู้สึกนึกคิดการรับรู้ของเราใช่หรือไม่นี่เป็นการพูดอย่างกว้างที่สุด คนจะได้จเจริญในธรรมก็เพราะทัศนานุตริยะเป็นเหตุใช่หรือไม่มันไม่ใช่แค่เห็นนะว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกของพุทธเจ้าเห็นพระไตรปิฎกเปิดพระไตรปิฎกดูอ่านเห็นพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาได้ผลพวงของเหตุลึกในโูกอื่นต่อไปอีกยังมีอีกนะอาตรงนี้ผมจะลองพูดใ้เห็น เป็นลักษณะความว่าแต่อย่าเอาเป็นเครื่องกับเอาเป็นเบาะแสต่อไปคือคู่เหตุคู่ผลเฉพาะหน้าก็คือรูปทําให้เกิดการเห็นคือจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณดับแล้วว่าจบแง่มุมของความมันในเจงนี้แค่นี้จบลักษณะของเหตุปัจจัยแค่นี้แต่ว่าเหตุปพลังในทางสืบสายในเช่นเห็นรูปใดแล้วเกิดการฝังเกิดอุกาทานอาทานที่ใช้ในทางนั้นไม่ดี เกิดความฝังใจทางดีก็มีใช่ไหมฝังใจในทางทั่วก็มีทั้งที่ว่าตอนเห็นจิตเห็นดับแล้วลรู้ปาลมก็ดับแล้วแล้วมัเอาที่ไหนมาฝังตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าอารมณนา ท, าาที่อารมณ์ที่ทําให้เกิดอุปนิสัยเกิดพลังทางอุปนิสัยต่อไปฉนั้นคนที่เข้าฌานเพ่งจาน ทีแรกก็หลับๆ ล, ลืมๆจะต้องดูด้วยจักวุวิดูจนฝังใจพอฝังใจเสร็จแล้วรูปนั้นจะกระสินนั้นจะแตกไปหรือแม้แต่ตาจะบอดไปกระสินอยู่ไหมเท่านั้นมันยังสืบต่อไปอีกไอ้ภาพฝังใจยังไม่พอเมื่อี่ไอ้ภาพฝังใจก็หายแล้วแต่มันเหลือนิสัยฝังใจเกิด น, นิสัยขึ้นใช่ไหมนี่เป็นผลสืบเนื่องแปลเป็นรูปของพลังปัจจัยรูปอือีก เรามาค้นพบออกทีหลังวโอ้เรานี่นะต้องคุ้นกับอารมณ์อย่างนี้คุ้นกับคนนี้พอเห็นหน้าเห็นสิ่งนี้ทีแรกชอบเลยทั้งที่ไม่รู้เป็นอะไรชอบเลยใช่ไม่ใช่เห็นคนนี้ทีแรกเกลียดเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยชาตินี้นะชาติก่อนเห็นมาแล้วอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของความฝังใจที่มันติดเนื่องมาเป็นอุปานิสัยนี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่า รู้บาลลมเนี่ยมาจีแรกด้วยพลังปัจจัยอันหนึ่งแล้วก็ก่อให้เกิดพลังปัจจัยอย่างอื่นไอ้ตรงนี้นะครับเวลาที่เขาระวังความชั่วความดีกันในทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าทอดอ่ า, อาถ้าดูนี้เขามีคาหลูวิสัยทัศดกว้างกันไรแต่มันเป็นเรื่องโลกโลกนะแต่ในทางธรรมะเนี่ยเขาจะดูว่าไอ้อันกุศลวิบากอันเนี้ยเอาไม่ได้รับไม่ได้อ้ารับแล้ว ไอ้ผลตกทอดพลังสืบทอดต่อไปเนี่ยมันเป็นไม่ดีงั้นอย่าไปรับกุศลวิบากมันเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราถึงจำกัดกุศลวิบากพระเนี่ยเห็นชัดในภาพอของพระเนี่ยต้องจำกัดกุศลวิบากบางอย่างเข้าใจไนะเขียนพระพุทธเจ้าทำไมถึงไม่แนะนาตาบอกสร้างประสาทาร์ดูละไหวเรา หานางกำนันอุบาติกามาเป็นมาเป็นอาบาทบริจาริกาเหมือนอยู่สมัยในวาวังนะ่ะเพราะว่านี่เป็นผลสืบทอดที่ไม่ดีนี่เป็นเป็นระดับสูงนะะไม่ระดับสูงเนะี่ยการปลดปล่อยก็จะมีมีรุนแรงมีเยอะแต่ระดับต่ําเนี่ยมันก็มีและเราก็ต้องรู้ว่าไอ้อย่างเนี่ยไปรับไม่ได้เออถ้าจะให้ครูยกตัวอย่างชัดๆเงินที่ไปปล้นเข้ามาได้เป็นกุศลนิบาศไหม ใครตอบว่าเป็นถูกแต่อย่าไปทําเขามาทําของตกให้เราเห็นอยู่บนเดียวเป็นลาบรอยไหมเป็นคุศลนิบาศไหมเป็นควรเอาไหมควรเอาไหมเขาจะเลือกตั้งเขาแจกเงินเป็นคุศลนิบาศไหมเป็นควรเอาไห ม, ไ, หมไม่ควรเอาทําไมเราถึงไม่ไม่เอาล่ะ เราไปคือของก็ทอนเงินทอนทอนเงินเกินเราขายของก็ให้เงินเกินเราก็ไม่กลัวเอาอีกหลายๆอย่างที่ไม่กลัวเอาเพราะว่ามันมีผลในทางสกปรกตอนนี้ถ้าว่ากันให้ชัดแม่ทังคนที่ไปข่มขืนก็ทํำจาเราเนี่ยมันก็เป็นกุศลนิบาศทางกายอะตะใช่ไม่ใช่ในแง่หลักวิธรรมอะเขาเวทนาทางไหนเป็นกุศลนิบาศแต่ควรทำไหมไม่ควรเพราะว่าไอ้กุศลนิวิบากในบางทีมันมาส่งผลเนี่ย มาส่งผลและทําให้จวนหน้าเป็นบาปต่อไปเป็นบาปได้ใกล้ๆเลยบางทีมันก็ไกลออกไปไกลจนกรทั้งเรามองไม่ออก่ะเช่นถ้ามองออกนะั่นคืออย่างนี้ยกตัวอย่างยัดจัดว่าคนหนึ่งเนี่ยมียานสนานความไกลว่าถ้าแต่งงานกับคนนี้แล้วก็ไม่ได้ดินไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําในระยะไกลนะรู้เลยว่าจะต้องไป ความจริงมองเผินๆเนี่ยใครก็อยากจะเป็นคู่ครองด้วยแต่คนนี้เขามองแล้วมันไปจะไปขัดขวางอะไรสำคัญสำคัญของตัวเองในอนาคตคนอื่นมองท่านี้ถ้าคนถ้าตัวไม่เอาผลข้านั่นก็ไม่เป็นไรแต่ไปเอาผลขานั่นมันก็เป็นไรไอ้ตรงนี้แหละครับจึง เ, เป็นคำตอบว่าคนบางคนเนี่ยทำไมถึงมีการตอบรับและปฏิเสธในสิ่งที่ ชาวโลกเห็นแล้วก็น้ําตาไหลน้ํำลายไหลทั้งน้ําตาไหลทั้งน้ําลายไหลแบางอย่างก็ชวนน้าตาไหลแต่ว่าทําไมคนนั้นเขตอบเราไอ้ที่น้ําลายไหลทําไมก็ปฏิเสธนี่คือความลึกซึ้งของกระบวนการของเหตุปลาอเลียเจ้าหรือตามเต้นทางของปลาอเลียเจ้าข้อหนึ่งคืออารมณ์ปัจจันข้อสองเป็นอารมณปัจจัยที่อารมณ์ต่างไปแปล ว, ว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยเราไม่ต้องไล่เรียงแล้ว เอาความว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพารมเป็นสิ่งมีพลังมีอำนาจก่อให้เกิดจิตวิญญาณแต่ละทางแต่ละทางขึ้นมาดีแล้วจิตก็เกิดไม่ได้จิตเหล่านี้เกิดทีนี้มาดูข้อหกกับข้อเจ็ดและข้อแปดเอาข้อหกก็ข้อเจ็ดเนี่ยผมจําเป็นต้องพูดข้อเจ็ก่อนเพราะข้อหกจะ ก็จะยากขึ้นนิดหนึง่งข้อเจ็ดเจ็นบาลีใช้คบว่าสัพเพธรรมมาแปลว่าทมทั้งหมดคืออารมณ์ทั้งหมดทมทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์ให้แก่มโนวิญญาณวินโนวิญญาณธาตุความนึกคิดแบบอิสระให้ให้เข้าเข้าใจความหมายง่ายๆนะว่าถ้าเป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายข้อหนึ่งถึงข้อาเนี่ย ตัวจิตไม่เป็นอิสระจากอารมณ์ครับอิสระทั้งในทางเลวทางไม่ดีทางร้งนะเพราะอะไรครับเพราะจักูุวิ ญ, ญญาณจะเห็นไม่ได้ถ้ามีรูไม่มีรูปอารมณ์และเมื่อมีรูปอารมณ์มากระทบตาจักูุวิ ญ, ญญาณก็เห็นรูปอารมณ์ได้เท่านั้นจะไปเห็นเสียงก็ไม่ได้จะไปตีค่าเพิ่มก็ไม่ได้เป็นยังไงก็แค่นั้นอารมณ์ไม่ดีก็เป็นอกุศลนี่บาป จักสูวิญญาณอารมณ์ดีก็เป็นกุศลที่บากจักสูวิญญาณนี่เป็นหลักย้อนกลับสําหรับคนเรียนอริยธรรมข้อหนึ่งถึงข้อห้านั้นอารมณ์เป็นตัวกําหนดจิตอย่างเต็มที่เลยครับรดีก็เพราะกุศลที่บากที่แสดงออกมาทางอารมณ์ใช่อารมณ์กือรูปอารมณ์เป็นเครื่องมืออารมณ์ไม่ดีจะไปเห็นดีเอาเองคือจักสูวิญญาณนะจะไปเห็นดีเอาตามใจชอบ หรือไม่ดีตามใจชอบอย่างงน้นอย่างนี้เพิ่มค่าตามใจชอบไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นมัโนวิญญาณมันเพิ่มค่าลดค่าเปลี่ยนมิตีของอารมณ์ได้ผมจึงใช้คําพูดเป็นอย่างธรรมดาว่าเป็นการรับรู้อารมณ์อย่างเป็นอิสระมากกว่าจักสูวิญญาณโส ต, ตวิญญาณกนวิญญาณจิวหาวิญญาณกายยัวิญญาณอธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่าเรื่องความรู้สึกนึกคิดใน จิต ข, ของเราเช่นว่าในขณะที่เราลืมตาดูด้วยตาเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงเราต้องเห็นอย่างนั้นถูกไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราคิดปรุ ง, รงแต่งให้เป็นอย่างไรอย่างไรเราทำได้ด้วยจ้จทำไมละ่ะมันถึงเป็นอิสระมากเพราะว่ากระแสะเหตุปัจจัยด้านอื่นเข้ามามีผลต่อความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมากกว่าจากสู่วิญญาณ จากสุวิญญาณเนี่ยกรรมก็กาหนดมาเป็นตัวหลักนะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกิเลสบ้างทัศนคติต่างๆบ้างเข้ามามีผลทาให้เราเกิดความรู้สึกนึกคิดเป็นไปต่างๆได้ดีเป็นชั่วก็ได้ชั่วเป็นดีก็ได้ดีชั่วเป็นกลางๆงก็ได้กลางกลางเป็นดีเป็นชั่วก็ได้แล้วก็เกิดกุศลลจิตเกิดกุศลกรรมกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้เกิดอากุศลลจิตเกิด อากสรจล้วรามกับอารมณ์ที่ดีก็ได้มันมันเปลี่ยนได้ว่าขนาดบ้าก็ยังได้เลยครับคนบ้านะบ้าทางมโนวิญญาณไม่ได้บ้าทางตาคนบ้ากับคนดีน่ะดูรูปเดียวกันเห็นเหมือนใช่ไหมใช่ทำไมหลับตาหรือไม่ให้อธิบายด้วยความรู้สึกมึนคิดใช่ไหมแม้แต่หมูมากระไรยังเห็นเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันตื้อลึกนะบางต่างกันเพราะความพอมันคิดออกมาแล้วมันคิดไปเรื่องที่ตามองไม่เห็นมันก็คิดได้ ถามว่านิพผานปรากฏทางตาหรือทางใจปฏิภาคณิมิตรของคนทำฌานปรากฏทางตาหรือทางใจทางใจวิปลาสธรรมทั้งสี่ว่าสวยว่าสุขว่าเทียนปรากฏทางตาทางใจคนเป็นบ้าบ้าทางใจหรือทางตาบ้าทางใจคนเป็นสัตว์ในเลฉานความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเลฉานปรากฏทางตาหรือทางใจทางใจครับตาอย่าลืมผมไม่ได้หมายถึงให้ตาอย่างงูตา มังกรตาลักษณะทางตาเนื้อนะแต่หมายถึงจักรเสลวิญญาณแต่ใจต่างกันเพราะนั้นมโนวิญญาณเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างใครจะได้มากอย่างไปทางไหนแล้วแต่กระแสะเหตุปัจจัยที่ลุมเข้ามาทางมโนวิญญาณทีนี้เราเลื่อนมาดูข้อหกข้อหกเนี่ยเป็นจิตกลุ่มหนึ่งที่เป็นจุด ที่จะใครเริ่มขยายตัวมาสู่มโนวิญญาณเขาเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุไม่ใช่มโนวิญญาณไอ้ภาษาเนี่ยอาจจะไม่ต้องย้ำก็ได้สําหรับคนใหม่ก็เลยสรุปได้ว่าวจิตของเราเนี่ยมันมีตามวิถีจิตแตผมจะเขียนวิธีให้คนใหม่ก็จะดูไม่ออกนะแต่เอาเป็นว่าภาพเหล่านี้นะเป็นภาพสรุปของวิถีจิตนี่จะมีอยู่สามระยะคือระยะของของประสาทสัมผัสทั้งห้า กับระยะของการขยายขยายขยายความกับระยะของการปรุงปแปลระยะของประสาทก็คือวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทั้งห้าที่เรียกว่าปัญจวิญญาณแล้วก็ระยะของการปรุงปแปลคือระยะขยายความเนี่ยคือระยะของมโนธาตุแล้วก็ระยะของการปรุงปแปลปรุงแต่งไปต่างๆ ระยะของมโนวิญญาณเอาภาษาบาลีตรงนี้ทวนสับสนหน่อยนะก็ไม่ต้องไปใส่ใจเอาสาร ะ, าระข้างบนเนี่ยใส่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเห็นตามเนื้อผ้าพอเห็นแล้วจะมาถึงจิตอีกกลุ่มหึืออีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่ามโนธาตุเป็นระยะขยายความขยายความก็คือมันเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยครับมารับรู้เพื่อ เป็นผลในทางปรุงแปรต่อไปพอมาถึงมโนโวิญญาณจิตที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปรุงแปรปรุงแต่งให้เป็นต่างๆทั้งในทางดีและทางชั่วข้อหกในบาลีจึงบอกว่ารูปายตระนางสัตย์ทายตระนางกันทายตระนางรัศายตระนางโผตปาตระนางมโนธาตุยาคืออารมณ์ทั้งห้านั้นมโนธาตุสามารถที่จะรับรู้ได้เพื่อผลแก่การปรุงแปร ต่อไปสำหรับข้อเจ็นั้นเป็นจิตที่เรียวกว่มามโนวิญญาณคือความนึกคิดทางใจอย่างสมบูรณ์ปรุงแปลอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นก็ดีหรือที่ไม่ได้เห็นนึกคิดเอาเองก็ดีปรุงแปลให้เป็นต่างๆทั้งในทางดีทางชั่วมิจฉาทิฏฐิไร้กาศก็ปรากฏทางนี้สัามาทิฏฐิอันเป็นโลกุตตระก็เกิดทางนี้ความแตกต่างจุดแตกต่าง ของคนโง่คนเฉลาศก็ต่างกันตรงนี้ส่วนข้อแปดข้อแปดนั้นเป็นบทสรุปที่บาลีใช้คำว่ายังยังธรรมัอาระพะเยเยธรรมาอุปัชฌันติจิตตเจตสิกาธรรมาเตเตธรรมานังเตสังเตสังธรรมานังอารามะนะปัจเจเยนะปัจจโยนะที่ทผมไม่แปลถอดคํานะเอาแปลความว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดคือจิตและเจตสิกธรรมย่อมเกิดขึ้น เพราะปลารบซึ่งทําใดๆทำทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ทำทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นโดยอารมณปัจจัยนะ น, นี้ก็ไม่ต้องไปสนใจบัลีขอให้ทราบว่านี่เป็นคําสรุปว่าอารมณ์ใดเป็นปัจจัยแก่จิตใดอารมณ์นั้นแหละชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่จิตนั้นโดยความเป็นอารมณปัจจัย เป็นคำพูดกว้างๆลวมๆที่จริงถ้าสวดดีๆหรือฟังเทปสวดก็จะไปเลาะถ้าสายทำนองก็เป็นเพลงเอลวิสเลยสมัยที่ผมเรียนตรงนี้นะยังพอจะใกล้ๆยุคเอลวิสแต่เราก็ไม่ได้เอามาร้องกันแล้วนะเราก็เพียงแต่พูดกันเล่นๆก็ถ้าเอามาช่วยความจามได้นึ่เป็นเอลวิสลองเพลงเวลาสวดไม่ต้องไปสวดไปโยงใหมๆ่ๆ จะได้คือเคลื่อนกันใหญ่เอาล่ะครับนี่เป็นอารมณะปัจจัยเป็นอารมณะปัจจัยเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าทุกวันเนี่ยเราต้องรับรู้อารมณ์ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนรับรู้อารมณ์มีอารมณ์ตั้งนั้นเราจะได้ดีได้ชัว่วกบเพราะอารมณ์อารมณ์บางอย่างเราเลือกได้บางเลือกที่จะรับอารมณ์บางอย่างได้ถ้าคนนั้นมีตะกยภาพทางบุญทางอะไรบางอย่างได้นะ แต่บางคนเนี่ยมันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้มาไอ้เพลงที่ไม่อยากฟังเลยก็ต้องจําใจฟังต้องจําใจฟังเพลงอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเห็นคนอยู่ใกล้วัดแล้ววัดนั้นมีงานวัดบ่อยๆต้องจําใจฟังพางทีไอ้ลูกมันจะฟังเราปู่ย่าตายายไม่อยากฟังเลยอยากจะฟังธรรมะไอ้จะไปาอาหารเอาก็ลําบากก็เลยต้องจำใจฟังอย่างนี้ก็มันก็เป็นพันธะบางคนเนี่ย มีสิทธิ์เลือกบางคนไม่ตั้งเลือกเองคนอื่นเขาเลือกให้ใช่ไหมใช่คนมีบุญมากๆนะคนอื่นเขาดูแลให้ว่าไนี่เดี๋ยวจะไประคายโสดระสายเขาเขาจะระมัดระวังให้บางอย่างเนี่ยมันบังคับให้ต้องได้ยินนี่เอาพูดนู้ว่าได้ยินนะ ถ้ามันได้ภรรยาหยาบคายได้สามีหยาบครายพ่อได้แม่หยาบคายก็มีขอโทษมีบางทีในบ้านนี้แปล ว, ว่าข้างบ้านหยาบผมได้เห็นมาแล้วข้างบ้านหยาบคายหยาบคายกันเองแล้วก็หยาบคายแล้วข้ามรั้วมาที่บ้านอีกบ้านหนึ่งแล้วก็มีบางคนนะพอบ้านนั้นก็เกิดได้รับเคยรับสะพ้ยเข้าบ้านนี่ผมว่าเป็นเรื่าวว่า สองลายไอ้ไอ้บ้านที่ดาเก่งตายเลยขาดหัวหน้าทีไอ้คนที่เป็นคนวิปลิตที่พูดหยาบๆเคยคายๆตามพ่อตามแม่เป็นเบอร์สองในงรูมันเงียบหายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยตายนี่ผมก็บอกเออมั น, เ ป, นเป็นบุญของสะพ้ายนะเนี่ยบุญของสะพ้ายเนี่ยเข้ามาปกป้องคนในบ้านนทําให้ไอ้คนคนเร็วๆต้องย้ายบ้านหนีต้องตายมีความเป็นไปต่างๆนี่เขาเรียกคนบุญดี ทีนี้ไอ้ที่เราเลือกได้เนี่ยมันมีเลือกสองแบบหนึ่งคือเลือกที่จะวางความรู้สึกกับอารมณ์นั้นนี่ทุกคนเลือกได้มีสิทธิ์จะเลือกได้เลยพเพราะเรื่องนี้ไม่ไม่ไปเดือดร้อนขายแต่มันไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองพลังทำไม่พอนี่ไม่ใช่พลังกรรมไม่พอแล้วพลังจริยธรรมไม่พอมองก็ทำไม่ได้เลยไม่มีภูมิสู้และอีกอย่างคือเลือกเช่นตัวไปอยู่บ้านใกล้โรงฆ่าสัตว์ ก็ย้ายบ้านที่ต้องมีคนจะเลิอกอย่างนี้ได้มไหมทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวเกิด ย, ย้ายไปเจออีกก็ย้ายต่อไปใครคือาจจะต้องย้ายไปอยู่ไปปลูกบ้านอยู่ตามวัดที่เขามีที่ให้เข้าไปปลูกบ้านเป็นบริวารดำนักอะไรเงี้ยนะซึ่งก็น้อยคนที่จะทําได้เป็นว่าเล่นอย่างนั้นบางคนเนี่ยผมแนะนําบอกให้ย้ายให้ไปเช่าบ้านอยู่ทั่วขราวยังไปไม่ได้เลยคือหมายว่าไอ้บ้านมีปัญหาบอกให้ไปเช่าบ้านอยู่ทั่วข่าวเดี๋ยก็บอกว่างั้นไป ขอเช่าบ้านที่อาจารย์อยู่ปลูกปกปลูกแล้วผมก็ชักไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วผมจะเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเดือดร้อนหมายว่าพอไปอยู่ก็เริ่มมีคนอะไรประเภทนี้ย้ายมาล้อมบ้านผมเต็มข้อหมายก็ดวงผมแข็งกว่าน้อยกว่าคุณแล้วนะผม <Okay. S 1> คลายเป็นต้องมารับหางเลขตามคุณไปด้วยแต่อย่างนี้คือเขาแก้อะไรไม่ได้รับกระจายย้ายบ้านหนี หรือไปเจ้าอยู่แต่เขาก็ติดขดดาดสียรพอไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีกนกใจไม่มีอะไรต่างๆนะมันไม่เหมือนบ้านตัวนะก็แปลว่าคุณธรรมมันเคนเรื่องถูวแล้วก็กรรมมันเหมือนจะพันธนาการด้วยอีกแรงหนึ่งทำให้ต้องอยู่อย่างบ้าวันละหลายหนแล้วประสาทกินวันละหลายหนเราพักกันสักครู่ะเดี๋ยวมาต่อ อธิปติปัจใจต่อไปสาธุชนที่เคารพครับเรามาพบกันในช่วงนี้จะต่อด้วยปัจใจที่สามที่มีชื่อตามรูปบาลีว่าอธิปติปัจโยติก็คืออธิบติปัจใจที่แปลว่าปัจใจคืออธิบดีและอธิบดีในที่นี้ก็แปลว่าความเป็นใหญ่ยิ่ง คำว่าความเป็นใหญ่ยิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงนั้นหมายถึงบุคคลผู้จ ะ, จะเจริญในธรรมหรือปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีความเป็นใหญ่ในตัวเองและใช้ความเป็นใหญ่ของตัวเองนั้นเป็นอำนาจในการบริหารธรรมะคือจเจริญธรรมะให้จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าอธิบดีที่แปล ว, ว่าความเป็นใหญ่ยิ่งได้แก่ชันทะ ความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะคือจิตมั่นบางแห่งนั้นหมายเอาสมาธิก็อยู่ในอขอบข่ายนี้นะฮะแต่ว่าในที่นี้ท่านเอาจิตเป็นองค์ธรรมเป็นหลักแล้วก็สี่ก็คือวิมังสาวิมังสาก็คือปัญญาถ้าหากว่าเราจะเทียบกับธรรมะอีกหมวดหนึ่งที่มีชื่อคล้ายๆกันแล้วก็แปลคล้ายๆกันคืออินสี่อินรี่ห้า เราได้ยินกันจนขึ้นใจอินรีห้าคือศรัท ธ, ธาวิรยาสติสมาธิและปัญญาถ้าหากว่าจะเทียบเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลมกลืนกันสนิททีเดียวกล่าวคือฉันทะนั้นเทียบกับศรัท ธ, ธาวิรยาตรงกันครับก็คือวิรยิยวิรยิยะวิริยาที่ทสติฉันทะวิริยะจิตตะจิตตานั้นเทียบกับ สติกับสมาธิในอินทรีย์วิมังสาเป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญาก็คือปัญญินนี่เป็นการเทียบระหว่างธรรมะสองหมวดอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกิจของตนคือเป็นใหญ่ในงานของตนอธิบดีนั้นหมายถึงความเป็นใหญ่ในเชิง <c oughs> เชิงบริหารนะฮะถ้าจะว่าไปอย่างภาษาของเราเชิงบริหารคือความเป็นใหญ่เหนือสภาวะอันอื่นที่อยู่ในฝักฝ่ายภ า, ภ า, ารกิจอันเดียวกันอย่างศรัท ธ, ธาเป็นใหญ่ในความเชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใหญ่ในงานวิทยะเป็นใหญ่ในความพยายามแต่ว่าถ้าเป็นชั้นพะที่เรียกว่าชั้นทิศที่บาสนั้นความพอใจเป็นใหญ่ยิ่งในกิจที่เกี่ยวกับเรื่อง อะไรก็แล้วแต่อะแต่ว่าตัวฉันทานะเหมือนจะเป็นตัวควบคุมคือเทียบเหมือนกับตัวมูลที่เราพูดเมือ่อตะครู่นี้นะเหมือนคล้ายๆเป็นมูลของการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เมื่อมองดูเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคนเมื่อจะทําความดีอะไรเนี่ยเราจะต้องนึกถึงไอ้ตัวฉันทานก่อนจึงได้เคยบอกเคยแนะนํา หรือมีผู้ที่ปฏิบัติทำแล้วก็มาถามหรือชวนอธิษฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ใช้แก่ตัวเองแบบ ง, ง่ายๆว่าเราจะต้องมีความพอใจคือต้องรักษาความชอบของเราเอาไว้คือต้องเลือกที่จะชอบให้เป็นนะแล้วก็ต้องรักษาความชอบของตัวเองเอาไว้แล้วก็ต้องเลื่อนชั้นความชอบของตัวให้เป็นด้วยนี่เป็นเรื่องสาคัญ นั้นเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเป็นคนชอบไอ้เรื่องจะเข้าใจเรื่องจะยังไงวาดอีกทีขอให้ศรัทธาเรื่อมใสชอบใจถ้าจะเป็นปฏิบัติซ้ำก็คือเมื่อเราจะไปเนี่ยอธิษฐานขอให้ชอบไปก่อนขอให้ศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่บัณฑิตยกย่องวดีและบุคคลทั้งหลายชอบได้ยากนีก่เราก็อธิษฐานควบคุมตัวนี้และวิริยะก็คือความเพียร ก็คือเมื่อลงมือปฏิบัติเนี่ยขอให้เราสามารถกระทําได้กระทําได้กระทําด้วยความต่อเนื่องกระทําอย่างาถึงลักษณะที่สมบูรณ์ของความพยายามใดๆเราก็อธิษฐานโคคุ ม, มันนี้เราก็จะมีความประแจประเจงนะฮะคือจะทำอย่างไม่ฝืในใจทําและเมื่อทำอย่างไม่ฝืในใจทำเหนือกว่าที่จะเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็มีความมั่นคงกระทําอย่างมั่นคง ประทำอย่างต่อเนื่องคือจิตตะที่จะเราแปลว่าความใส่ใจสติกับสมาธิเนี่ยสงเคราะห์เป็นขันเดียวกันคือสมาธิขันสติมีลักษณะของความตั้งมัน่นสมาธิก็มีลักษณะของความตั้งมัน่นแต่มันแยกกันตรงที่ว่าสมาธินั้นตั้งมั่นในความสงบนิ่งส่วนสติเนี่ยเรียกว่าตั้งมั่นในภารกิจที่เลือกแล้ว อารกิจที่เลือกแล้วเฉพาะหน้าเป็นตัวรักษาเป้าหมายตั้งมั่นในเป้าหมายคือสตินะที่ว่ารักษาจิตไว้ในกุศลเจริญสติปัฏฐานนี่ก็คืออารมณ์ของสติไม่จริงและส่วนสมาธิน่นเป็นตัวพลังเป็นตัวกำลังทําให้เราทำด้วยความมั่นเหมาะได้กับจิตอะคือความเอาใจใส่และวิมังสาก็คือปัญญา ปีมังสาคือการพิจารณาเนี่ยก็คือปัญญาคือเมื่อเรามีความตั้งมั่นแล้วขอให้เข้าใจได้ให้แทงตลอดได้ให้ประสบความสําเร็จได้ความสําเร็จในทางปฏิบัติเนี่ยท่านยกให้ยานเป็นตัวความสําเร็จท่านจึงเรียกวิวปัสสนาญาณว่าเป็นยานนั้นยานนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าได้ยานอย่ยเดียวแต่ว่ายานเป็นสาระสําสคัญขอให้เราเข้าใจได้ หลักเนี่ยเราสามารถที่จะย่อเอามาใช้กับปริยัติก็ได้ปฏิบัติก็ได้นะหรือแม้แต่การให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้แล้วพยายามจะบอกตัวเองอย่างนี้เราจะตั้งมั่นแล้วก็จะดำเนินไปบนคองของกุศลธรรมได้เป็นอย่างนั้นทิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นสาระสำคัญ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 เหมือนเป็นผลล้ายตามหลังนะเรื่องต่างๆผมไม่ไม่เล่ารายละเอียดมากไปละเดี๋ยวจะเกินอนุอนุมัติของท่านที่นี้ท่านก็บอกว่าเอจะสร้างพระใดไปโดกเล่มไหนสินจะสร้างตงเล่มก็ตอนนั้นก็เลยยุ่งอยู่เลยไม่ได้ทันคุยก็เลยจะบอกท้่บนนี้ว่าสร้างยามกอวิธรมมมธรมกมียมกอวิธามกมี